วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำตรงกับวันที่แปดมิถุนายนห้าูนเป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเบื้องแรกพวกเราได้มาไปชุมพร้อมกันแล้วก็ได้ไหว้พระต่อไปก็จะได้ฟังกล่าวสมุมนิยกคาการไหว้พระ ดูว่าธรรมวัดเย็นของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วเราไม่ได้กล่าวอ้อนวอนให้สิ่งจักจิตทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพวกเราที่พวกเราได้กราบได้ไหว้ที่เป็นภาษาบาลีนี่คออรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปฏิปันโนถ้าเราแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้ว ก็คือพวกเรายกย่องสนับสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากาตธรรมอย่างไรสอนมวลมนุษย์ชาติพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านปฏิบัติตีเปฏิบัติชอบอย่างไรจากนั้นก็กล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ นมโมตัสสะสามจบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสำพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนอบน้อมบรมมครูที่พวกเราได้นับถือพระพุทธศาสนาหรืยว่านับถือยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณาเป็นที่พึ่งก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะนับถือพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์พวกเราก็นอบน้อมบอลมัคคร์คือต้นศ า, น ส, ส, าน ส, สนาต้นศาสนาต้นความคิดที่ประกาศเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนออกมาให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้ากล่าวยืนยันทึ้งสามครั้งนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้นก็คือกล่าวน้โมสามจบ จากนั้นก็พุทธทางธรรมบางสาังคังกล่าวยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึง่งดูตียำปิยืนยันครั้งที่สองตาติยมปียืนยันครั้งที่สามจากนั้นเราจึงกล่าวเป็นนัดที่เมสระนางอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจากนั้นเราก็ได้ กล่าวอิทิพิโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิ ช, ชาจารณะสัมปันโนกล่าวยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณความดีอย่างไรพระพุทธเจ้าถึงพร้อมโดยวิ ช, ชาคือความรู้รู้แจง้งเห็นจริงจริ ง, รงไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นผู้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยชาติต่อโลก ไม่มีที่สิ้นสุดอมีวิชาวิชาของพระพุทธเจ้าไม่เบียดเบี่ยนตนและผู้อื่นส่วนวิชาทางโลกอย่างอื่นที่พวกเราได้ศึกษาบางสิ่งบางอย่างก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเ อ, เอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่รู้เออแปลว่าคนที่รู้เอาเปรียบคนไม่รู้แต่ว่าธรรมะหรือว่าวิชาของพระพุทธเจ้านั้นคนจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามพระพุทธเจ้าให้มีเมตตาเสมอกันทั้งหมด วิชาของพระพุทธเจ้าเจรณะคือความประพฤติของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันให้เป็นผู้รอบคอบอดูเขาดูเราวิชาเจรณะคือความประพฤติเราไปเบียดเบียนเขาเขาก็ไม่สบายไม่ดีไม่ถูกต้องถ้าเราเขามาเปลี่ยนเบียนเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเจรณะสัมปันโน เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้สุขโตเป็นผู้ไปดีเพราะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แปลอย่างวบปรัดนะถ้าจะว่าแปลอย่างพระป่ากใชัยแต่ว่ามีเนื้อหาสาระอย่างนี้จากนั้นเราก็กล่าวชนะเสริญสวากขาโตพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาธรรมตรัสไวชอบแล้วถ้าผู้ใดนำมาประพฤติปฏิบัต นำพระธรรมคำสั่งสอนมาเป็นแนวทางนำชีวิตของตนเองมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็คือสวากขาโตสุปฏิพนโนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนับแต่พระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาาพระอรหันต์เป็นแปดจำพวกนับเป็นคู่เป็นสี่คู่ อันนี้คือคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสงฆ์ที่แท้จริงไม่ใช่สงฆ์สมมติเป็นเนื้อแท้ของสงฆ์จริงๆออกมาจากจิตใจจริงของพระองค์ท่านเหล่านั้นจริงๆคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญเป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพกาวไหวสักระบูชาในที่พวกเราสนเสริญ เมื่อจบลงสักครูนี้มีเนื้อหาสาระอย่างนี้จากนั้นพวกเราก็ได้บรรยายในเรื่องต่างๆจนถึงปฏิสังขาโยนิสโสบินดปาตังการเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ปัจจัยสีคืออะไรผ้านุ่งห่มอาหารการบริโภคอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราไม่หลืมหลงลืมตัวถ้าหากว่าพวกเราการเป็นอยู่หลงลืมตัวเองว่าข้าเป็นใคร ฆ้าทำอะไรอย่างนี้โรกทั้งโลกเดือดร้อนปุุนวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าหลงตนเองหลงยังไงหลงตัวเองว่าลืมแก่ตัวเองลืมแก่เพราะตัวเองจะไม่แก่ลืมเจ็บแล้วก็ลืมตายพอมันลืมทั้งสามอย่างนี้มันก็เลยหลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถือกวานเข้ามากวาดเข้ามาต้อนเข้ามาว่าเอาเป็นของตัวเองทั้งหมด เพราะนันมันหลงแต่ตามไม่จริงท่าว่าไม่หลงแล้วก็รู้จักความพอดีในการเป็นอยู่แล้วก็ไม่เกียกค้านไม่โลภจนเกินไปท่าว่ารู้ประมาณตนเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุธะทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้พวกเราท่านทั้งหลายให้สำนึก ไว้อยู่เสมอว่าการเป็นอยู่ของพวกเราปัจจัยสี่นั้นคืออะไรการเสาะแสวงหาปัจจัยสี่ก็คือเราเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ผ้านุ่งหม่มถึงพวกเราจะนุ่งห่มดิบดีขนาดไหนร่างกายของพวกเราก็เก่เจ็บตายอย่างเก่าแต่ถ้าว่าเรานุ่งห่มเพื่ออะไรเรานุ่งห่มเพื่อกันอาย ไม่ให้อูจัดบาดตานุ่งห่มผ้าเอาไว้นุ่งห่มเพื่อการร้อนการหนาวการเหลือบการยุงการนุ่งห่มที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำในการใช้ปัจจัยสี่ในภิกษุสัมมาเนนการร้อนการหนาวการเหลือบการยุงการาอถึงจะ มุ่งห่มผ้าดิบดีขนาดไหนอย่าไปคิดว่ามันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายไม่ใช่นะสิ่งเหล่านั้นยังมีอีกอย่างเก่าเพราะฉนั้นอย่าลุ่มหลงจนเกินไปอย่าส่อแสวงหาจนเกินไปในเครื่องมุ่งห่มยาแก้โรคยาอาหารการบริโภคอีกเหมือนกันอาหารบินทบาทคืออาหารการบริโภค ทานอาหารเพื่ออะไรถึงจะเลี้ยงอาหารดิบดีขนาดไหนร่างกายของเราก็เป็นอืดอยู่เสม อ, อร่างกายไม่ใช่เราจะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็คือร่างกายอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ข้อที่สองข้อที่สามก็คือเสนาชนะ เซนาชนะก็คือที่พึ่งพาอาศัยอย่างซาลากุติอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือที่พักพาอาศัยข้อที่สี่ก็คือยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็มีความจำเป็นในการเป็นอยู่ของพวกเราแต่ถึงยังไงถึงจะบริบูรณ์สมบูรณ์ถึงขนาดไหนร่างกายของเรา ก็ไม่หยุดอยู่ไม่ได้พอใจในการเป็นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถึงขราวแก่มันก็ต้องแก่ถึงขราวเจ็บมันก็ต้องเจ็บถึงข่าวตายมันก็ต้องตายไหลไปสู่สภาพของมันอยู่เสมอเพราะนั้นอย่าลุ่มหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็คือที่พวกเราได้สวดลงไปจากนั้นก็ได้กล่าวถึงชลาธรมมิ ชราชนะตีโตชัดเจนอยู่แล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิมรณะจนถึงว่าเรามีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชีวิตลิขิตได้โลกนี้เป็นโลกหาได้อย่างที่ว่าที่ได้พูดไปเมือ่อเช้านี่เจ้าพกคุณสาเร็จพระสังฆราชท่านว่าชีวิตลิขิตได้ คือชีวิตของพวกเราเราจะทำเอาอย่างไร ส, สแวงหาอันไหนก็ได้จะแตะสแวงหาเอาหาดีหาชั่วนะพวกเราจะเป็นคนดีคนดีแล้วจะเป็นคนเลวยังไงชีวิตของเราตัวของเราเองลิขิตได้แต่ว่าลิขิตจะว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้แก่ให้เก็บให้ตายอย่างนั้นมันก็เหลือพิสัย เหลือวิสัยที่จะลิขิตคิดว่าลิขิตได้ก็คือตกแต่งเอาได้ในระดับหนึ่งมีชีวิตได้ทั้งหมดโลกนี้โลกหาได้กเหมือนกันหาได้ก็ข้าพเจ้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ใช่หาได้จริงๆคำว่าหาได้จุดๆนั่นก็คือภาวนาพยายามชําระใจของพวกเราให้บริสุทธิ์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงๆ ได้จริงๆริงบริเตเมื่อจิตใจบริสุทธิ์หาได้จุดนั้นเพราะนั้นคําพูดที่ว่าคุณแม่ชี้แก้วที่ท่านพูดในหนังสือเป็นคําพูดของท่านใ่าโลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นที่พวกเราได้สวดหรือว่าได้สาธยายไปเป็นการบอกกล่าวหรือว่าเป็นการย้ำเตือนให้พวกเราสำนึก ไว้ในใจอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราเกิดมาในโลกเกิดมาด้วยวิธีอย่างไรกลัมเป็นภูมินำมาเกิดจุดนั้นเรามองไม่เห็นเพราะว่าเป็นอดีตมาแล้วแต่มาถึงจุดนี้พวกเรารู้เรียนรู้ได้ศึกษาตามแนวแถวทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นให้พวกเราทบทวนการเป็นอยู่ในชีวิตของตนเองอย่าลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตของตนเองจนเกินไปให้ทบทวนไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของข้าไม่รู้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่ถ้าว่าพวกเราคิดไปอยู่เสมอในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าให้คิดไปอยู่เสมอถ้าคนคิดถึงเรื่อง มรณะภัยไว้อยู่เสมอกิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีจะเข้ามาหาเขาไม่เต็มที่เพราะเขารู้เขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขกิเลสราคะโทสะโมหะก็จะไม่เข้ามาเหยียบย่ําจิตใจเรื่การเป็นอยู่ของเขาจนเกินไปเพราะเขารู้รักไปทําไมเ น, นีกิเลสราคะรักไปทําไม อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราไปลุ่มหลงรักทําไมอะไรมากมายนักหนารักใครรักไปทําไมรักไปทําไมอะไรมากมายนักหนาอันนี้ก็คือเป็นเบลกให้ตัวเองเมื่อเราลึกถึงความตายอยู่แล้วถ้าจะโกรธให้แก่ใครก็ตามเราโกรธไปทําไมอีกสักวันหนึ่งเขาก็ตายเราก็ตายเราโกรธไปให้โง่ทําไม สักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเมื่อเขาไม่จากเราก็ต้องจากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้ทําด้วยเหตุและผลให้ถูกต้องอย่าให้มันเกินไปในการโกรธให้เขาเหล่านั้นถ้าโกรธไปโดยไม่มีเหตุมีผลมันก็มีแต่ทุกข์เราเฉยๆมันได้ประโยชน์อะไรคือสิ่งเหล่านี้มันก็มันเป็นเนบรกสําหรับตัวของเราถ้าผู้มีคุณธรรมในจิตใจ ผู้ได้สำานึกไว้ในจิตใจ okay. จะรอถึงความหลงไม่รู้จะหลงไปทำไหมหลงในโลกเราได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนว่าเป็นตัวเองทั้งหมดโลกมาทั้งหมดแต่ผลที่สุดเราได้อะไรผลสุดท้ายก็เรามาอย่างไงเราไปอย่างนั้นเรามาเราไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมาเวลาเราไปกระดูกเราก็ทิ้ง ไว้ทั้งหมดมีแต่ใจของเราเท่านั้นออกจากร่างบุญกุศลเท่านั้นเองที่ติดกับวิญญาณดวงนั้นไปใจดวงนั้นคือวิญญาณดวงนั้นนามมารูกอันนั้นออกจากร่างไปถ้าเราสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลก็จะติดอยู่ในนามนั้น คือเรามองไม่เห็นกับว่านามรูปคือร่างกายนามคือจิตใจบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจก็คือเข้าไปสู่นามนามนั้นคือมองไม่เห็นเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงเน้นหนักสองอย่างในตัวของเราแต่ละคนนนะ่ะถึงจะพูดมากมายกายกองถึงยังไงก็เถอะถ้าย่นย่อลงมาแล้วก็คือสอง คือถ้าว่าหนีจากกายไม่มองกายจเจเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดแต่ใจอย่างเดียวก็มองไม่เห็นเพราะฉนั้นถึงท่านจึงเน้นเรื่องกายให้เห็นกายร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะตายนะอย่างนี้เพราะฉนั้นท่านบอกว่าถ้าหาว่าไม่เห็นกายไม่เห็นความตายและไม่เห็นกาย คนนั้นจะไม่เห็นธรรมอันลึกซึ้งเข้าไปถึงนามธรรมาเพราะว่าขนาดร่างกายตัวเองก็ยังรุ่มหลงโมเมาแล้วจะไปเห็นนามธรรมา ท, ที่ของละเอียดลึกซึ้งนั้นท่านมามองไม่เห็นมันต้องเห็นกายซะก่อนเป็นของหยาบซะก่อนเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณากายให้รู้กายให้รู้เรื่องของกายกายถ้าจะว่าไปแล้วก็คือของหยาบก็คือ กายวายจาทานศิลคือรักษากายกับวายจาส่วนสมาธินั่นคือใจรักษาคือนา ม, มะธรรมนา ม, มะธรรมตัวผู้รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านสองอย่างนี้ท่านเน้นหนักจุดไหนท่านเน้นหนักเรื่องอะไรมากกว่ากันพูดได้เลยว่าเน้นหนักเรื่องใจมากกว่ามากกว่ารู ป, ปรธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษาในจุดนี้ หรือว่ามาปฏิบัติในจุดนี้พวกเราจะมองเห็นทว่าเรื่องใจแล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาวิถีทางเดินของใจใจคิดเรื่องอะไรวิถีทางเดินของจิตจิตคิดเรื่องอะไรกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นให้พวกเราถึงจะจุดเอื้องหรือว่า เป็นพระธรรมคำสั่งสอนสำหรับผู้ปฏิบัติที่สูงส่งหรือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ก็จริงแต่ว่าถึงยังไงในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นไม่แพ้พระเหมือนกันแต่พระอาจจะมากกว่าธรรมะที่สูงส่ง แต่ว่าถึงคำะเบื้องต้นพระโสดาบันสำหรับอุบาสกอุบาสิกาแล้วมีมากในครั้งในครั้งกระโน้นเพราะนั้นก่อนที่จะได้สำเร็จพระโสดาบันท่านรู้เรื่องอะไรก็ต้อง ร, รู้เรื่องของใจพูดพูดอย่างนั้นได้เลยถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องของใจท่านจะสำเร็จได้ยังไงเพราะใจเป็นผู้สำเร็จไม่ใช่กายสำเร็จ ใจเป็นผู้สำเร็จใจเป็นผู้รู้แจ้งใจเป็นผู้รู้จริงใจเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลจากนั้นก็วางในระดับหนึ่งเห็นโทษในระดับหนึ่งจากนั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระรหันต์พระโสดากันในระดับหนึ่งละอันไหนได้ท่านก็บอกพระสักทาละไหนได้ ส่วนพระอนาคาพูดได้ชัดเจนว่าพระอนาคามไม่มีกิเลสราคะกับโทสะตัดกิเลสราคะโทสะอย่างเด็ดขาดส่วนโมหานั้นยังตัดไม่ขาดแต่กิเลสโมหายาบับขั้นห ย, ยาบยบออกจากใจของพระอนาคายังเหลือแต่อวิชชาหรือว่าตัวหลง ในรายละเอียดเพราะนั้นท่านจึงไม่มาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเมื่อท่านดับขันและเมื่อท่านตายไปเนื้อท่านมรณะภาพลงพระอนาคามีขึ้นไปอยู่ชั้นพรมสุดทาวาดห้าชั้นในเกรดหรือว่าที่ท่านจะได้ขึ้นไปอยู่ในพรมจากนั้นท่านก็ ขันตัวของท่านหมุนตัวของท่านปรับตัวของท่านให้รู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสตัววิชาตัวหลงจากนั้นท่านก็เข้าสู่ปรินิพานไม่มาเหยียบโลกอีกอันนั้นคือพระอนาคาส่วนพระอรหันต์ท่านตัดกิเลสตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระอยู่แล้วเป็นมนุษย์อยู่ท่านบำเพ็ญรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นท่านตัดกิเลสราคะโทสะโมหะโดยเด็ดขาด จากท่านเข้าสู่ปรินิพานเมื่อท่านพระอรหันต์ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านได้สำเร็จท่านแล้วท่านบอกอุปาทิเสสนิพานคือเข้าสู่นิพานขณะยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสนิพานเมื่อท่านดับขันแล้วตายแล้วท่านก็สู่มหาปรินิพานเป็นอนันตการไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก อันนี้ก็คือจิตของพระอรหันต์คือนามธรรมของพระอรหันต์แต่ส่วนรูปธปรรมเหมือนกันแต่สลายสู่ดินน้ำลมไฟที่จะแปลกแตกกว่าคนทั้งหลายเขาตรงที่ว่ากระดูกของท่านหรืออธิธาต์ของท่านเป็นเม็ดกลมเป็นพระธาตุอันนี้ก็คือความแปลกแตกต่างแต่ส่วน ร่างกายนั้นจะต้องผุพังสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับมนุษย์ชาติทั่วไปเพราะฉะนั้นคําว่าพระอรหันต์ก็ดีพระโสดาสกทาคาอนาคาก็ดีอันไหนเป็นอันไหนเป็นพระโสดาอันไหนเป็นพระอนาคาอันไหนเป็นพระอรหันต์ใจของท่าน นามธรรมของท่านที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงถ้าจะว่าไปแล้วถ้าว่าเปรียบเทียบให้ออกมานอกๆเผยผิวเผนก็คือสมองของท่านสมองของท่านรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับคนเขาเรียนหนังสือเขาเรียนหนังสือคื อ, ค, อความจำแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันลึกกว่าความจำลงไปอีกมันจิตใต้สํานึกหรือบ่กเหนือ ความสำนึกทั้งหลายทั้งปวงเหนือกว่าสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าทำจุดนั้นที่ท่านได้บรรลุทำนั้นสมองมันยองออกมาข้างนอกสมองมันเหมือนของใช้เครื่องของใช้ของใจสมองคืออยู่ในบนศีรษะของเราใจเป็นนามะธรรมมองไม่เห็น จะว่าใจอยู่ที่ไหน ย, ยูว่าหัวใจก็ไม่ใช่ใจคือความรู้สึกอยู่ทางร่างกายใจตรงนั้นแหะที่มายึดครองร่างกายเนี่นะยจะว่าคนโซเฟอร์อยู่ในที่นั่งของโซเฟอร์ใช่ในขณะที่ทํางานก็อยู่จุดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอยู่จุดนั้นอยู่จุดนั้นตลอดเมื่อมีรถคือมาแล้วโซเฟอร์จะอยู่ที่นั่นตลอดไปไม่ออกไปที่ไหนเลยมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันคนเราปิญญาหรือว่าใจของเราเมื่อจะใช้สมองก็เข้ามาใช้เหมือนกับคนเข้าไปขับรถอย่างนั้นอ่ะจะใช้สมองแต่เมื่อไม่ใช้สมองก็หยุดไปพักผ่อนสมองคือการนอนหรือเข้าสมาธิอย่างนี้คือพักผ่อนสมองแต่ว่าใจนั้นอยู่ที่ไหนเหมือนกับเหมือนกับโซเฟอร์นะจะอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าอยู่ออกนอกร่างกายก็ได้แต่มันมีความรู้สึกอยู่เมื่อจะสั่งเข้ามามันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกใจตรงนั้นวิ่งเข้ามาสั่งสมองสมองก็ทํางานตามที่ใจสั่งงานเนี่ยเหมือนกับรถจะให้มันขับไปโซเฟอร์ก็ต้องกระโดดขึ้นไปขับมันยังช้าอยู่งนะั้นรถมันยังช้าอยู่ใจของรอมันเร็วกว่านั้นที่มันสั่งสมองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือ ตัวไหนใครที่ว่าอะไรสาเร็จนั้นใจนั่นแหละที่ว่าใจนั่นแหละที่อยู่ในร่างกายเป็นสองคือนามธรรมเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องนามธรรมเลยมาในอันดับหนึ่งยกขึ้นประเด็นขึ้นมาเลยมโนปุพังขมาธรมามโนเสถามโนมายาไปที่ไหนพูดที่ไหนจะกล่าวที่ไหนไม่หนีจากจุดนี้ จุดนี้เป็นจุดประเด็นหลักเป็นหยุดจุดที่ใหญ่ที่สุดถึงจะพูดยังไงเรื่องอย่างอื่นออกไปคือตัวนี้เป็นผู้สั่งกระจายออกไปหรือว่าเป็นเรื่องราวออกไปถ้าว่าเราไปพูดแต่ส่วนภายนอกเรื่องการเป็นอยู่การคำมาหาเลี้ยงชีพการคองเรือนการพร้อมเพียงสม ค, คีเรื่องศินอย่างนี้หรือว่าทานอย่างนี้มันก็ มันห่างออกไปเหมือนกับตะคุบเงาออกไปอย่างงอ น, นคือกระแสของใจที่สั่งการออกไปแต่ตัวที่แท้คือคือถ้าหางว่าอยากจะให้รู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงจริงจงต้องผันตัวเข้ามาต้องมีสติเข้ามาสู่จิตใจจับตัวที่ใจเราจะรู้ได้วันขณะนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรคิดดีคิดชั่วเรื่องทั้งหลาย กลัมคือกรารกระทํกาการกระทําออกทางใจคิดเรื่องอะไรออกไปสั่งออกไปทางวาจาให้พูดสั่งออกไปทางการกระทําให้กระทําในเรื่องต่างๆมันออกไปจากใจทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าใจดวงนี้ควรจะได้รับธรรมคาสั่งสอนให้ได้รับในธรรมที่ถูกต้องเอามาบังคับหรือเอามาปฏิบัติหรือเอามา ไข้กวรไตรตองเอามาศึกษาหรือเอามาอบรมอบรมหัวหน้าถ้าว่าหัวหน้าไม่ได้รับการอบรมที่ดีหัวหน้าเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนั่นหละหัวหน้ามันก็สั่งออกไปทางวาจาเรื่องทางหลายทางปวงถ้าจะว่าไปผู้มีคุณธรรมสูงมี ศีลธรรมมีจริยธรรมกิเลสสั่งออกไปจน้นี่เราก็รู้ได้เลยว่าโอ้กิเลสออกแล้วเนี่ยออกไปทางราคะบังโทสะบัง่งโมหะบัง่งโลภโกตรตโลงบัง่ง อ, ออกไปทางกายออกไปทางวาจาการว่าตัวเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองสั่งอะไรออกไปเพราะว่าขาดการสํานึกสำเนียดแต่ท่านผู้รู้ท่านผู้มีคุณธรรมในจิตใจสูงท่านรู้ได้กิเลสเนี่ยกิเลสเขาสั่งออกไปเนี่ย เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านควรจะเอาธรรมะเข้าอบรมทางจิตใจการที่จะอบรมทางจิตใจนั้นจะอบรมได้อย่างไรนี่แหละก็ต้องศึกษาการศึกษานี้เราจะจับประเด็นไหนเป็นประเด็นหลัก เ, เหมือนเราเราจะเรียนกอไก่ เราเรียนหนังสือเรียนหนังสือเราจะเรียนตัวไหนก่อนครูเขาก็ต้องสอนให้กอไก่ขอไข่พอโกรธพอควายคือจับประเด็นหลักให้ได้เสียก่อนขึงหอรกหูกถ้าเราจะเรียนเลขเอบวกลบคูณหารระดับไหนเราก็ต้องเรียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามให้รู้จักท่องแค่จําให้ได้เลขไหนอยู่ตรงไหนจากนั้นก็มาบวกมาลบคูณหาร และก็วิชาต่างๆที่พวกเราเรียนมีต่างเยอะแยะไปในคณิตศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเรียนทางจิตใจเราควรจะจับจับประเด็นไหนก่อนพระพุะไเจ้าท่านบอกว่าสำหรับพระศีล ส, สมาธิปัญญาสำหรับญาติโยม ท่านก็ว่าทานศีลภาวนาทำไมมีทานด้วยมันเกี่ยวข้องที่ตรงไหนสำหรับคราวญญาติโยมผู้มีภาระพันธะมากถ้าว่าเราจะรักษาศีลส่วนเดียวจิตใจของเรายังไม่ปล่อยวางจิตใจของเรายังยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ยังเป็นผู้ไม่เสียสละไม่มีการให้อภัยไม่มีการทานะคือการเสียสละแล้ว นั่นแ่ะจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบระยกเพราะนั้นเราต้องมีทานคือการทานจากนั้นศีระคือรักษาสิลงรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้มีสินห้าอันนี้ก็คือสำหรับคารวะาจากนั้นก็ภาวนากาหนดที่พระพุทธเจ้าสอนบอกกล่าวเอาไว้สำหรับพระสงฆ์ท่านก็บ่กสิน เพราะว่าทานะเราออกมาบวชเราเสียสละแล้วก่อนที่ออกก่อนที่เราจะมาบวชเราเสียสละแล้วงเงินคําทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่นาการทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาค้าขายเราหยุดหมดแล้วเราเป็นพระเราก็มาบวชเราเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นคือเราบินทบาทมาฉันคือทานะเนี่ยคือเราเสียสละไปแล้วเป็นเบื้องต้น เราที่คารวะญาติโยมเขามีเราให้เขาหมดแล้วถ้าเราเป็นคารวะาเราก็ต้องมีอย่างเขาเนี่ยบัดาที้เราเป็นพระเราเสียสละให้แกเขาหมดเราไม่เอาแล้วเรามาอยู่เป็นพระจากนั้นเรารักษาสินให้บริสุทธิ์รักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้ากายวาจาของเราไม่เรียบร้อยเราจะนั่งสมาธิ มันก็พิตกกังวลเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาว้าวุ่นเออจิตใจมันไม่สงบเดี๋ยวอารมณ์ทางตาทางหูทา ง, ทางออกายที่เราได้พบได้เจอได้เห็นเข้ามาลบวนทางจิตใจถ้าเรารักษากายวาจาของเราซะคือสินคือรักษากายว่าวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษเมื่อนั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ง่าย เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นปัญญาที่แท้จริงชัดเจนปัญญาของพระพุทธศาสน า, ศาปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาอะไร เ, เราก็ต้องศึกษาเพราะนั้นภาวนาสาหรับคารวาสเนี่ยภาวนาถ้าจะว่าเปียบทางฝ่ายพระคือสมาธิคาว่าภาวนาคำนี้เป็นคำกลาง สมัทก็ได้วิปัสสนาก็ได้ทั้งสองอย่างคำว่าศีลสมาธิสมาธิคือทําจิตให้สงบสําหรับพระสําหรับญาติโยมก็คือภาวนาคือทําจิตให้สงบเหมือนกันการที่จะทําจิตให้สงบเนี่ยตามขั้นตอนที่นี่ศึกษาเลยติดนี่แหละที่เราศึกษาเบื้องต้นที่เราจะเรียนอะไรก่อนเมื่อเราจะเรียนหนังสือเราจะจับตัวไหนไประเด็นก่อนครูเขาต้องสอนให้กอไก่ก่อน อันนี้ก็เหมือนกันสำหรับคราวาสคือทานศีลภาวนาสำหรับพระกคือศีลสมาธิปัญญาคือจับตัวนี้ก่อนเมื่อจับตัวนี้เรารู้เรื่องการเป็นอยู่ของเราเราไม่มีโทษเราไม่ได้ทำความชั่วเสียหายถ้าคนเราไปทำความชั่วเสียหายไม่รักษากายวาจาไปฆ่าไปตีไปโคตไปโกงไปป้นไปจี้ไปดื่มสุราไปโกหกพกลมไปทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วจะมานั่งสมาธิจิตใจมันเกิดสงบได้ยังไงเพราะจิตใจมันไปทําไปจับไฟมาแล้วร้อนๆเอมันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่แล้วจะมานั่งสมาธิจิตใจจะเข้าสู่ ส, สมาธิไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเรารักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีแล้วเราจะนั่งสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้สมาธินั่นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้ตัดรู้ธรรมเราไม่ต้องพูดองค์อื่นท่านอื่นสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหเพนนนั้นท่านกําหนดตัวไหนตรงไหนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้แหละคือกรรมฐานได้จากนั้นพระพุทธองค์เมื่อไดนได้ตัดรู้แล้วท่านก็สอนกรรมฐาน40ให้แก่พวกเราอีกท่าน ท่านบอกไม่ใช่แต่เฉพาะลมหายใจเข้าออกนะกรรมาฐานที่จะต้องศึกษานั้นชุดแท้ใครจะถูกกับจริตอะไรเหมือนกับเอ่อเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างนี้เี่ยเราจะถูกกับยาประเภทไหนเราจะถูกกับยาอะไรเ่บางคนก็กินยาฝรั่งมาแล้วก็ไม่ถูกมาถูกกับฟ้าทลายโจรอย่างนี้แหม่แกหวัดหายได้เพราะงั้นเถอะเอ่ คนนีก้ก็ยกจ้องเชิดชูว่าโอ้โหยาทั้งหลายเนี่ยฟ้าทลายโจรดีที่สุดแต่คนอื่นไปกินก็ไม่ได้เหลืองอ่างั้นคนหนึ่งโอ้สู้ดีคนเจ่นไม่ได้อพอกินคนนึ่งกีนนงโอ้ไม่ได้มันไม่ถูกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติหรือว่าให้แนวทางให้พวกเราปฏิบัติว่ากรรมฐานสี่สิบอย่าง อ, าอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษาแต่หลวงพ่อจะไม่อธิบายให้ฟังมาก กรรมฐานสีบอย่างพุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนยพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรที่หลวงพ่อได้กล่าวบตนต้นเอีเราก็ไม่ต้องกล่าวถึงขนาดนั้นหรอกมีแต่ความบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทและลึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจเข้าธรรมโมหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าสังโฆหายใจออกสังโฆและลึกถึงพระสงฆ์ เรียว่ากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถหรือว่ารู้หายใจเข้าหายใจออกล้วนแล้วแต่เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติกรรมฐานสี่สิบคือยาสี่สิบแขนงอันนี้พอประมาณนะพระพุทธเจ้าท่านว่าท่าไม่ได้ว่าจํากัดอยู่เพียงแค่นี้นะนอกจากนี้ไปแล้วไม่ใช่ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระองค์บอกว่า ที่ให้กรรมาฐานสี่สิบนี้อันนี้คือพอประมาณยังมีมากกว่านี้ถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วจะรู้ได้ว่าเออมากจริงๆที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติที่จะทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งนะ่ยมีหลายอย่างแต่ถึงยังไงก็ตามจะเป็นยาอะไรก็ตามจะเป็นยาฝรัง่งยานอกยาจีนยาญี่ปุน่นยาอะไรก็ตาม ยารากไม้ก็ตามแต่ว่ารักษาโรคได้แก้โรคภัยไข้เจ็บได้ยาขนาดนั้นวิเศษสำหรับคนคนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันกรรมาฐานพระพุทธเจ้าจะมากมายขนาดไหนแต่เราเอามาใช้ไม่เกิดประโยชน์เรานำยาขนาดไหนที่มาใช้จิตใจของเราเขา้เขาสู่ความสงบได้จิตของเราเข้าสู่ความสงบ เป็นหนึ่งได้กรรมฐานนั้นอะ่ะมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์สําหรับตัวของเราไม่ใช่ตัวคนอื่นนะตัวของเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเหมาะกับกรรมฐานไหนอันนี้ก็คือเป็นที่พวกเราจะต้องศึกษาอะไรตัวหนึ่เราจะต้องศึกษาเมื่อกับเรากินยาประเภทนั้นเป็นยังไงทดลองดูแลกินยาประเภทนี้เป็นยังไงถ้ากินมันถูกเข้าไป มันก็ร่างกายพอเออใช่รู้สึกว่าวัดของเราเนี่ยถูกกับยาเนี่ยน้ำหมูกจุดทันทีหายปวดหัวหายปวดศีรษะรู้สึกร่างกายเบาสบายขึ้นมาฮะอันนี้ก็คือกรรมฐานถูกกับตัวเองก็ลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าข้อสําคัญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านบอกว่ากรรมฐานถึงจะ ให้เลือกกรรมฐานก็จริงอยู่แต่อย่าไปเลือกคนนั้นว่ากรรมฐานนั่นดีก็ปฏิบัติตามเขาคนนี้ว่าพปกรรมฐานนี่ดีก็ปฏิบัติตามเขาผลที่สุดเลยเป็นหลักลอยหาที่ยึดฐาที่เกาะไม่ได้วันหนึ่งเปลี่ยนกรรมฐานไม่รู้กี่ครั้งกี่อย่างอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าทำอย่างนั้นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ พอเขาว่าปลูกอย่างงั้นดีเอาถอนขึ้นมาปลูกใหม่เขาว่าอย่างงั้นดีเอาถอนขึ้นมาปลูกใหม่ต้นไม้เลยไม่โตสักทีเพราะฉนั้นเมื่อเราปลูกลงไปแล้วเราให้สังเกตว่ามันเป็นยังไงมันถูกไหมเราพยายามปรับปรุงต้นไม้ของเราใส่ปุย๋ยใส่น้ําดูอากาศมันพอดีไหมถ้ามันแดดจัดจนเกินไป ก็ทำให้ใบเกลียมใบแห้งตายได้ถึงจะใส่น้ำใส่ปุ๋ยก็ถะแต่ถ้าว่ามันอยู่ในที่ค้มเกินไปไม่มีอากาศที่ส่องลงไปใส่ต้นไม้ต้นไม้นันก็อับเฉาเหมือนกันไม่งอกเงยใหแค่ามันหมดกำลังเหมือนกันเพราะนั้นทำยังไงจึงจะพอเหมาะที่จะให้ต้นไม้นั้นขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมาได้ อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นผู้สังเกตตนเองพวกเรานั่งสมาธิพวกเราไม่ได้กำหนดให้จริงจังใช่ไหมบางทีพุโทโธแล้วก็เมลอลอยไปจังนานๆมด้คิดได้กับพุโทโธอีกแล้วก็มาบน่นเอะเอ๊ะทำไมเราจรึงไม่สงบมันจะสงบได้ยังไงเพราะใจของเรา มันสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ต่อเนื่องอันนี้เขาให้เราสังเกตเราเหมือนกันอันนี้แหละถ้าว่าเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาเราใส่ปุ๋ยพอไหมน้าพอไหมดินฟ้าอากาศพอไหมอากาศคุมเกินไปหรือว่าแดดมากเกินไปให้สังเกตอันนี้ก็เหมือนกัน การปฏิบัติธรรมของพวกเราเมื่อนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิเป็นยังไงขณะที่นั่งเราปฏิบัติเอาจริงจังไหมเรานั่งนานไหมเรานั่งปฏิบัติเอาจริงจังแต่มันยังไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะอะไรจากนั้นเราปฏิบัติ ด, ดูทุกอย่างเราเข้มงวดกวดขันสติของเราเกิเข้มแข็งแต่มันก็ยังไม่สงบ เอออันนั้นแปลว่าเราทำหนุนแล้วอาจจะเปลี่ยนกรรมฐานอื่นเข้ามาในเมื่อเป็นกรรมฐานมีก็พยายามทำให้เข้มงวดกวดขันภาวนา<ม>ให้ต่อเนื่องอีกบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้อยู่กับตัวเองอีกให้จริงจังแล้วเป็นยังไงถ้าว่าทำไปทาไป เ, เป็นหลายเดือนเป็นปีแต่จริงจัง มันก็ยังไม่สําเร็จมันยังมันไม่สงบอา้าวก็เปลี่ยนกรรมฐานเอ่อันนี้แปลว่าเราสังเกตแล้วก็เปลี่ยนกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าปรับขึ้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนกรรมฐานเดี๋ยวเปลี่ยนกรรมฐานนี่ผลที่สุด เ, เหมือนกับปลูกต้นไม้มันเลยไม่โตเพราะถอนอยู่เื่อยปลูกใหม่อยู่เรืเอ่อยเพราะนั้นจริงเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่าน ในการประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าทุกกรรมฐานมีคุณค่า ข, ข้อสำคัญให้เราจริงจังจริงใจปฏิบัติแน่วแน่จับจริงหรือเปล่าบางทีกินยาเขาว่ากินคือกินไปอย่างงั้นกินไม่ได้ขนาดของเขาแล้วเรามีแต่หวังอยากจะให้โรคภยัยใค้เจ็บหายมันก็คงจะหายไม่ได้เพราะกินไม่ได้ขนาดกินไม่เป็นเวลำเวลาอย่างนี้ อันนี้ก็เหมือนกันข้อสําคัญยาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติให้พวกเราจริงจังแต่หลวงพ่อเองจะแนะนําพิธีการปฏิบัติตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มันหรือว่าองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านปฏิบัติมาได้ผลอย่างไรอันนี้อยากจะแนะนําพวกเราท่านทั้งหลาย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาท่านก็ว่าให้ภาวนาบริกรรมพุทโหนี่แหละเป็นหลักท่านบอกว่าถ้ากำหนดจิตธรรมดามันยังเลื่อนลอยมันไม่มีหลักมันไม่มีมมที่ยึดเพราะนั้นให้บริกรรมสำทับเขาด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มีสติอพุทโธด้วย หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติบังคับจิตใจให้อยู่กับกรรมฐานเนี่เนี่ยไม่ให้มันเผลอไปที่ไหนจากนั้นเวลาก้าวเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโธให้มีบริกรรมด้วยให้มีสติในการก้าวเดินเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติที่ท่านแนะนำมาและเป็นยังไงคือบังคับให้สติสัมปชัญญะอยู่ให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละพวกเราจะได้รับผลเป็นตามลำลดับลำดับต่อไปถ้าเราบังคับทีแรกมันก็ต้องยากธรรมดาไม่ว่าการงานประเภทไหนเมื่อเบื้องต้นเราก็ต้องยาก ต่อไปเมื่อรู้แล้วมันก็ค่อยขยายขึ้นไปเรื่อยๆค่อยง่ายไปเรื่องสมาธิต่อไปก็เรื่องปัญญาเท่นีเรื่องปัญญามันก็จะต้องยุ่งยากเรื่องปัญญาอีกทนีแต่เรื่องสมาธิเนี่ยเมื่อเราบังคับอันดับแรกได้มันก็ต้องเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องแรกได้เพราะเราเอาจริงจังนี่แหละ เพราะในพวกเราทุกๆท่านนั้นเรื่องกรรมฐานเบื้องแรกที่จะก้าวเดินขึ้นไปเรียนระดับต่อไปนั้นต้องเรียนนี่แหละกอไก่ซะก่อนหรือว่าเลขหนึ่งซะก่อนเี่ออกไปจากจุดนี้ะตั้งแต่มาตั้งแต่ศีลสมาธิยสมาธิคือทำจิตของเราให้สงบเป็นหนึ่งให้ได้เมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งผลแห่ง ความสงบนั้นเป็นอย่างไร เ, เมื่อนั่งภาวนาบริกรรมให้จิตติอยู่กับตัวเองอย่างแ น, แน่วแน่จิตใจไม่เผล อ, อ, อไม่ทะเลทลายจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดมีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละจิตจะเข้าสู่ความสงบความสงบเป็นอันดับแรกคือคณิกะสมาธิมันเป็นขั้นตอนเข้าไปแล้วทีนี้ กานิกะสมาธิคือจิตเข้าสงบในขณะหนึ่งขณะจิตหนึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเราได้ดื่มน้ําเย็นน้ําแข็งอึกหนึ่งเหมือนกันแต่แต่ก่อนเรามีแต่ความร้อนอยู่ในตัวของเราแต่บัดนี้เราได้ดื่มน้ําเข้าไปน้ําเย็นช่ําเข้าไปอยู่สิตใจเย็นว่าเข้าไปในใจิตใจ เขาว่าเย็นคํานี้มันจะไม่ลืมมันผิดปกติในการเป็นอยู่ในการนึกคิดในการเป็นอยู่ของพวกเราสมาธิเนี่ยคือเป็นน้ําอมตะธรรมรดเข้าไปสู่จิตใจเพราะใจของเรามันมันร้อนอยู่ตลอดตลอดอ ย, ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นมันเผาด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ว่าในขณะนั้นอมตะน้ําอมตะธรรมเข้าไปแยกและเข้าไปลด กิเลสราคาโทสะมันสงบลงไปในชั่วขณะหนึ่งช่วขณะจิตหนึ่งเพียงแค่นั้นเราก็จําไม่ลืมอันนี้แปลว่าคณิกะสมาธิจิตใจรับความสงบชั่วขณะหนึ่งแปลว่าคณิกะจากนั้นแต่บางคนอยากจะให้มันเป็นอย่างเก่ามันก็ไม่เป็นเพราะว่าสมาธิเราอยากจะให้มันเป็นอย่างเก่าไม่ได้นะมันต้องหาเงื่อนใหม่อีกเราไม่ต้องสนใจมันเป็นแล้วก็แล้วไป แต่ข้อสาคัญเหตุพยายามดูเหตุให้ได้พยายามกําหนดภาวนาไม่ต้องคิดถึงผลของมันเมื่อกี้มันเป็นผลของมันที่มันสงบนะบัดนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องเรื่องผลของมันหาเหตุหาดูเหตุให้ได้คือพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้กําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธบังคับไปอยู่ในเหตุนี่แหละถ้าเรามีความพยายามอยู่ มันจะเหนือเข้าไปกว่านั้นอีกคืออุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจิตใจของเรามีความรู้สึกอยู่จิตใจไม่หิวโหวยจิตใจไม่กัดแกงจิตใจไม่ออกนอกลูนอกทางสติกับจิตดูแลควบคุมกันอยู่ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรเรารู้แก่ใจของเราเราคิดเรื่องอะไร ถึงจะได้ยินเสียงอะไรเข้ามาใจของเราไม่ไปตามหูที่ได้ยินแต่ตาไม่ต้องว่าตาในะเราหลับอยู่แล้วในขณะที่นั่งนั่งภาวนาเราไม่ได้ไปตามที่เราได้ยินใจของเราอยู่กับตัวเองอันนี้ว่าควบคุมสติอยู่กับตัวเองใครว่าจิตอยู่ก็ใช่จิตไม่ฟุง้งไม่ปรุงไม่ฟุงฟ้งไม่ส่านก็ใช่ จิตมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองก็ใช่อันนี้แปลว่าอุปจารสมาธิเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่ความสงบเป็นขั้นตอนอย่างนี้ต่อไปก็จิตเมื่อดิ่งลงไปถึงความสงบคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเรานั่งลงไปแล้วเรานั่งจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งร่างกายเราหายหมดมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอั น, น, นอันนั้นคือจิตเข้าสู่ความสงบแนบหนึ่งหรือว่าสมาธิสูงสุดของสมาธิคืออัปปนาจากนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะเกินกว่านั้นไปเตืองสมาธิจากนั้นก็ถอนขึ้นมาอีกมาหาอุปจาระมาหาคณิกะมาหาจิตธรรมดานะอันนี้ก็คือสมาธินะนี่แหละ เมื่อเราพยายามทำตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ที่วานนั่นนะริเริ่มนะจำหรับคราวญากับทานศีลภาวนาอย่างพระก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่เราก่อนที่เราจะทำสมาธิทุกครั้งเราควรจะมีทานศีลภาวนาก่อนใช่ไหมจึงจะมานั่งสมาธิได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคือการทานศีลภาวนาเนี่ยเราทาให้จิตใจของเรา เป็นพื้นฐานมา ก, ก่อนคือเป็นนิสัยมีเหตุมีผลออไม่เอารัดเอาเปียบไม่ทําความชั่วเสียหายทําให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายซะก่อนมานั่งสมาธิเนี่ยพอทาความชั่วมาจยกหจะมานั่งสมาธินั้นก็คงจะเป็นไปได้ได้ไดยากเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่กิดที่นั่งสมาธิคณะที่นั่งเราก็ไม่ได้ทําความชั่วเสียหายใช่ เราไม่ได้ทําฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราก็นั่งอยู่เฉยๆถ้าเราจิตใจของเราตัดขาดนะจิตใจอยู่ในปัจจุบันแมันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในในจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่นี้ก็แต่ว่าถ้าว่าเริ่มทํามาเป็นพื้นฐานมาแล้วค่อยมาทําดีไหมตัวนั้นจะดีกว่าที่จะมาไปฆ่าไปตีไปป้นไปจี้ไปกินเหล้ามาแล้ว ม, มานั่งสมาธิเดี่ยวนี้เอออันนี้ เป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเป็นไปได้แต่มันยากกว่าแต่ถ้าว่าเป็นพื้นฐานมาก่อนดีไหมดีดีกว่าดีกว่าจุดนี้นะเพราะนั้นเราควรจะทําแบบพื้นฐานมาก่อน้พวกที่ทําได้จุดนี้จุดเดียวคือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วมานั่งสมาธิดิอันนี้ตัดขาดตรงนี้ลกได้อันนี้ท่านบอกพวก พวกคิด ป, ปัญญาพวกรู้ไร้เร็วเป็นไปได้แต่ถ้าว่าพวกทันทาปัญญาแล้วจะต้องเป็นมาตามขั้นตอนนะเพราะนั้นท่านจึงให้ทำใจให้สบายสบายภาวนาทำจิตให้สงบนะนี่แหละจากนั้นเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาไม่พิจารณาอะไร กะจุงพ่อได้พูดเปลืองตนพิจารณาร่างกายถ้าร่างกายของเราเห็นร่างกายของเราขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรามันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายมันจะต้องสลายสู่ดินน้ำลงมไฟเราจะไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกยศถาบรรดาศักดิ์พี่น้องเพื่อนฝูงเงินคําทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่นากิจการล้านค้าเราไปลุ่มหลง โมเมาในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องทุกนำทุกเข้ามาสู่จิตใจขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ธรรมะจุดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดไปตัดออกไปข้างนอกคือพระสูตรก็มีพระวินัยก็มีพระอภิธรรมก็มีคือพระวินัย เราก็ต้องพูดตามเรื่องราวเมื่อเราเป็นคาวญญาติโยมหรือ ว, ว่าเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยอันนี้คือพระวินยัยคืออยู่กับโลกเขาทำยังไงการทำมาค้าขายทำยังไงการอยู่ร่วมกันทำยังไงการอยู่ชันเป็นยังไงนั่อคือพระวินยัยส่วนพระสูตรก็คือเรื่องราวเรื่องต่างๆที่เป็นมาอย่างไรเราก็ให้ศึกษาให้รู้ว่านั่นคือพระสูตร ส่วนปรมัตถธรรมนะ่ยคือด้านจิตใจคือเนี่ยที่มาพูดวันนี้ที่ว่าพูดจุดนี้ก็คือพูดเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องพูดปรมาัาถว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอันนี้ถ้าเราจะเอาปรมัตถธรรมไปพูดเรื่องพระวินัยพระสูตรนั่นไม่ได้นะฮะไม่ได้ผิดเราต้องรู้จักขั้นตอนอันนี้คือคือด้านเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะเวลาเรานั่งภาวนา เรานั่งภาวนาเราตัดใจตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นเราจะไปพูดให้ใครฟังไม่ได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราตัดใจของเราเอ้ยเราเอ้ยขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวของเรานอะให้รู้สึกเอาไว้นะใจนะคือนามรรมาทำเลยนะสอนสอนนามรรมาทำนะนามรรมาทำสอนนามรรมาทำเหมือนกันใจตัวเองสอนใจตัวเองเหมือนกันขนาดร่างกายตัวเองนะเราเอาออกมาจากคล้องแม่นะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องถูก ไฟเผาทิ้งนะเอไม่มีใครจะอยู่ส่้ฟ้าดินสลายนะใจเอ้ยอย่าไปลุ่มหลงโมเมามากเกินไปเนะเอสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนที่มันเป็นเหตุเป็นผลการอยู่ร่วมการการไปการมาเหมาะสมยังไงอย่าโลภโจเกินไปนะอย่ากโกรธให้เขาโจเกินไปนะอย่าหลงของเขาเกินไปนะอยา่ารักเกินไปนะขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวของเราเนะ้อให้คิดดูนะคิดดูให้ดีนะใจนะใช่ไหมใจ ถามใจตัวเองใจใช่ไหมใจที่เราคิดนี่ถูกต้องไหมใจอันนี้ก็คือปรมัธิธรรมคือสอนใจตัวเองเราจะไปพูดทั้งนอกไม่ได้อันนั้นก็คือเราต้องพูดให้ถูกตามพระ ส, สูตรพระ ส, สูตรคือเรื่องราวไม่ออกจากตัวเองแล้วนีเราไปพูดเรื่องพระ ส, สูตรก็คือเออการเป็นอยู่ร่วมกันเน้อให้ช่วยการช่วยงานกันเน้อพวกเราอยู่ด้วยกันจากนั้นก็พูดเรื่องเกี่ยวกับวินยัย พวกเราอยู่ในกฎในระเบียบนะอย่าไปทําผิดกฎผิดระเบียบนะอันแรก็คือเราอยู่เราพูดเรื่องพระวิ น, นัยจากนั้นก็มาพูดเรื่องอการเป็นอยู่ก็คือพระสูตรการเป็นอยู่ส่วนปรมัติธรรมนะคือเป็นเรื่องของจิตใจของตนเองโดยเฉพาะ เ, เราต้องแยกเราต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาให้ดีนี่แหละทัพมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอน ถ้าจะว่าไปแล้วมีหลายขั้นแต่ถึงยังไงก็ตามพอกิเลสของเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วยิ่งหลายมากมายธรรมะของพรุทธเจ้าจะอหลายๆธรรมะมีอันเดียวมันจะทันกิเลสได้ยังไงกิเลสมร้อยร้อยสันพันคมร้อยเหลี่ยพันเหลี่ยมที่มันจะมาตีเราเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไปพูด อย่างเดียวไม่ได้จะพูดแต่พระวินัยอย่างเดียวไม่ได้จะพูดเรื่องพระสูตรอย่างเดียวไม่ได้จะพูดแต่ประมัดไปที่ไหนก็ขวางโรคเข า, เอาพอผู้ปฏิบัติทำและเห็นแล้วเออเหมือนกับเป็นบ้าอย่างนั้นจะไปถูกได้ยังไงเราก็ต้องแยกให้ออกเอทําตัวให้ถูกต้องเราต้องแยกให้อ่านให้ออกอ่านด้วยปัญญาของเราะทั้งพระวินัยเราก็พูด เรื่องพวินัยเขาพูดเรื่องเพื่อัยพะวินยัยแล้วเขาพูดเรื่องพวินยันย อ, ยอให้เข้ากันกับเขาได้การเป็นอยู่เป็นยังไงมีกฎระเบียบยังไงอไม่ใช่ว่าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับวินยัยตัวเองเออกประมัดไปตัดเขาใช่ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปอยู่กันทําไมอย่างนั้นอมันเรื่องนั้นมันขนาดตัวเองยังไม่ใช่ตัวเองอย่าไปอยู่ อสอนกันยังไงทํากันทํำไม่ะทํามาทํามาค้าขายเลี้ยงชีพไปทําไมร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัวของเราอีกสักวันมันก็จะตายอยู่แล้วเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงอันนั้นก็คือเราต้องคิดเราต้องใช้ปัญญาเราต้องใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าต้องวิเคราะห์ให้ออก พอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งพระวินัยมีทั้งพระสูตรมีทั้งปรมัิปรมัิที่พูดให้ฟังเนี่ยคือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยคือปรมัดร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้าเราจะอยู่ได้กี่ปีจากนี้ไปเดี๋ยวนี้เราอายุเท่าไหร่ให้ถามตัวเองไม่หยุดเสมอแล้วก็ไม่ใช่ว่าร้อยปีจะหมดอายุไม่ใช่บางทีอาจจะนอนหลับตายก็มี นั่งรถไปตายก็มีกินข้าวอิ่มตายก็มี ห, หัวใจวายตายก็มีเป็นโรคภัยแทบเจ็บตายก็มีแต่คนที่สุกตายทุกคนนั่นแหละ Bold. แต่ว่าก่อนที่จะตายเรา น, นอนตายเลยใช่ไหมเราไม่กินข้าวใช่ไหมเรายังไม่ทํางานใช่ไหมมันก็ไม่ถูกต้องในหน้าที่การงานจริงแล้วนะี่ยเราพยายามทําให้ดีที่สุดเราเป็นในเราอยู่ในฐานะไหนเราเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นพ่อค้าให้ดีที่สุดเราเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีที่สุดเราเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชให้ดีที่สุด ให้ถูกต้องตามหลักทำนองครองธรรมแหมในเมื่อทำนองถูกทำนองครองธรรมแล้วแต่ในใจของเราเราก็คิดเออถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะร่างกายนี่มันก็ต้องแก่มันจเจ้าเสดต้องตายอีสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาเขาจะต้องเมื่อเราตายแล้วก็ต้องเผาร่างกายเราทิ้งกระดูกของเราก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้มีแต่ใจเท่านั้นนา ม, มาทำเท่านั้นเยี่ที่จะออกจากร่างนี้ไป ไปเกิดอีกไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกนะคือในใจเราต้องคิดไว้อยู่เสมออย่างนี้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนมีหลายเรื่องที่จะต้องเราจะต้องได้ศึกษานะเพราะว่าศึกษาจะม่าให้ศึกษาถ้าไม่ได้ศึกษาเราจะรู้จะฉลาดไม่ได้มีหลายขั้นตอนจะต้องได้ รับการอบรมจะร่อมได้รับการศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ตามขั้นตอนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้องศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อได้ยินได้ฟังครั้งนี้ก็เอือเข้าใจระดับหนึ่งต่อไปอีกฟังอีกเข้าใจอีกจนกว่าจิตใจของเราจะ เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นอหมดกิเลสปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจนั่นละ่ะที่นี่จบแล้วแต่ไหนถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นแล้วยังยังอต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะนะนะการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรพูดยาวพอสมควรวันนี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ นั่งคัดสมาธิ